อธิบายข้อเบตตะเล็ดในพรหมวิหารสี่พรหมมุตเตเมนะกฐิเตพรหมวิหาเรอเมอิติวิทิตวาพิญโยเอเตสุอยังปกินนกะกทาปิวินเยยยานักศึกษาเมื่อได้เรียนรู้พรหมวิหารสี่นี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพรหมชั้นสุดยอดทรงแสดงโปรดเวนยสัตว์ ด้วยประการดังพันานามาในภาวนาวิธีนั้นชะนี้แล้วพึงศึกษาให้รู้ข้อเบตะเตล็ดต่างๆในพรหมวิหารสีน่นี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดังต่อไปนี้หนึ่งอัตถวิเคราะห์พรหมวิหารสี่ในพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั้น นักศึกษาพึงทราบอัตถวิเคราะห์ของเมตตาเป็นอันดับแรกดังนี้คำว่าเมตตามีอัตถวิเคราะห์ว่าเมชติติเท่ากับเมตตาสินินหติติอัทโธธรรมชาติที่รักใคร่เรียกว่าเมตตาไข ค, ความว่าธรรมชาติที่ห่วงใยในอันที่จะทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย อีกนัยยะหนึ่งว่าเมตติติเท่ากับมิตรโตผู้ใดย่อมรักใกล้กันผู้นั้นเรียกว่ามิตรมิตรเตภวติเท่ากับเมตตาอัธยาศัยที่ใกล้ประโยชน์ซึ่งเกิดมีในมิตรเรียกว่าเมตตาอีกนัยยะหนึ่งมิตรสะเอสาประวัตติติเท่ากับเมตตา อาถยาสายที่ใกล้ประโยชน์ที่เป็นไปต่อมิตรเรียกว่าเมตตาคําว่าการุณามีอัถวิเคราะห์ว่าประทุกเขสติสาธูนังอาถยากรรมปนังกรโรตีติเท่ากับกรุณาธรรมชาติใดเมื่อสัตว์อื่นประสบทุกข์ย่อมทําความสะเทือนใจให้แก่สาธุชนทั้งหลายธรรมชาตินั้น เรียกว่าการุณาอีกนัยยะหนึ่งกินนาติประรุกขังหิงสติวินาเสติติเท่ากับกรุณาธรรมชาติใดย่อมช่วยถ่ายทอนทุกข์ของสัตว์อื่นคือช่วยกำจัดช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อื่นให้หมดไปธรรมชาตินั้นเรียกว่าการุณาอีกนัยยะหนึ่ง คิริยติทุกิเตสุพรณะวะวเสนปปสาริยติติเท่ากับการุณาธรรมชาติใดอันบุคคลแพ่กระจายไปคือระลึกไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์ด้วยรับเอามาเป็นทุกข์เสเองธรรมชาตินั้นเรียกว่าการุณาคำว่ามุทิตามีอัตถวิเคราะห์ว่า โมทันติตายะตังสมังคินโนติเท่ากับมุทิตาชนทั้งหลายย่อมยินดีต่อผู้พร่างพร้อมด้วยสมบัตินั้นด้วยธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นเป็นเหตุให้ยินดีต่อผู้พร่างพร้อมด้วยสมบัตินั้นเรียกว่ามุทิตาอีกในยะหนึ่งใสายางโมทตีติเท่ากับมุทิตาธรรมชาติใดย่อมยินดีเอง ธรรมชาตินั้นเรียกว่ามุทิตาอีกนัยยะหนึ่งโมทนะมัตตะเมวะตันติเท่ากับมุทิตาธรรมชาติมาดว่าความยินดีนั้นนั่นเทียวเรียกว่ามุทิตาคําว่าอุเบคามีอัตถวิเคราะห์ว่าอเวราโหนตุติ อาทิพยาปารับปะหาเนนะมัชชาตตภาวุปคมะเนนะจะอุเปกติติเท่ากับอุเปกขาธรรมชาติใดย่อมเห็นเสมอกันโดยละความวขวนควายว่าสัตว์ทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกันเป็นต้นและโดยเข้าถึงภาวะเป็นกลางๆธรรมชาตินั้นเรียกว่าอุเปกขา 2. ลักษณะเป็นต้นของพรหมวิหารสี่ลักษณะเป็นต้นของพรหมวิหารสี่นี้มีอา ธ, ธิบายตามลำดับดังต่อไปนี้เมตตามีอันเป็นไปโดยอาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะมีอันน้อมนำเข้ามาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ มีอันกำจัดซึ่งความอาฆาตเป็นผลปรากฏมีอันได้เห็นภาวะที่น่าจเจริญใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นบรรทัดฐานมีความสงบแห่งพยาบาทเป็นสมบัติมีการเกิดความห่วงใยด้วยตัณหาเป็นความวิบัติของเมตานี้กรุณา มีอันเป็นไปโดยอาการช่วยบรรเทาทุกแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะมีอันไม่นิ่งดูดายต่อทุกข์ของสัตว์อื่นเป็นกิจมีการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นผลปรากฏมีอันได้เห็นสภาพอันน่าอานาถของสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกทุกข์ครอบงำแล้วเป็นบรรทัดฐานมีความระ ง, งับซึ่งการเบียดเบียนสัตว์เป็นสมบัติมีการเกิดความโศกเศร้าเป็นความวิบัติ ของกาุณานี้มุติตามีความยินดีด้วยเป็นลักษณะมีความไม่ริษยาเป็นกิจมีอันกำจัดความไม่ยินดีด้วยเป็นผลปรากฏมีอันได้เห็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายเป็นบรรทัดฐานมีความสงบแห่งความไม่ยินดีด้วยเป็นสมบัติ มีอันเกิดความสนุกร่าเริงเป็นความวิบัติของมุทิตานี้อุเบกขามีอันเป็นไปโดยอาการเป็นกลางๆในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะมีอันเห็นภาวะที่สม่ำเสมอกันในสัตว์ทั้งหลายเป็นกิจมีอันสงบความเสียใจและความดีใจเป็นผลปรากฏ มีอันพิจารณาเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนเป็นบรรทัดฐานซึ่งมีอาการเป็นไปอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนสัตว์เหล่านั้นจะได้ประสบความสุขก็ดีจากพ้นจากทุกข์ก็ดีจากเสื่อมจากสมบัติที่ตนมีอยู่แล้วก็ดีเพราะความชอบใจของใครเล่านอกจากของกรรมเท่านั้น มีการสงบแห่งความเสียใจและความดีใจเป็นสมบัติมีอันเกิดความเพิกเฉยเพราะความไม่รู้อันอาศัยกรรมมคุณเป็นความวิบัติของอุเบกขานี้สามประโยชน์ของพรหมวิหารสี่ก็ล à สุขอันเกิดแต่ปัญญาที่เห็นแจ้งชัดอันเป็นภายในก็ดีสมบัติอันบุคคลจะพึงได้ในภพที่ไปบังเกิดก็ดีจัดเป็นประโยชน์ส่วนที่ร่วมกันของพรหมวิหารทั้งสี่ส่วนการปราบเสียได้ซึ่งกิเลสมีพยาบาทเป็นต้นจัดเป็นประโยชน์ส่วนเฉพาะแต่ละประการของพรหมวิหารทั้งสี่กล่าวคือเมตตาเป็นประโยชน์ในอันปราพยาบาท คือความมุ่งร้ายการุณาเป็นประโยชน์ในอันปราบวิหิงสาคือการเบียดเบียนมุทิตาเป็นประโยชน์ในอันปราบอารติคือการไม่ใหญ่ดีด้วยอุเบกขาเป็นประโยชน์ในอันปราบราคะคือความกำหนัดข้อนี้สมด้วยพระบาลีในคำภีทีคานิกายปาติกวักมีอาธิว่า อาวุโสเมตตาเจโตวิม <asthma> ุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งพยาบาทอวุโสกรุณาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งวิหิงสาอวุโสมุทิตาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งอรติอวุโสอุเบคาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งราคะ 4... ค่าศึกของพรหมวิหารสี่และในพรหมวิหารทั้งสี่นี้แต่ละประการนั้นมีอากุศ ล, ลธรรมที่เป็นค่าศึกอย่างละสองโดยจัดเป็นค่าศึกใกล้อย่างหนึ่งค่าศึกไกลอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คำว่าค่าศึกใกล้เพราะได้ช่องโอกาสขึ้นได้เร็วกว่าคำว่าค่าศึกไกล เราได้ช่องโอกาสเกิดขึ้นช้ากว่าเหมือนศัตรูของคนเราที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมมีโอกาสทำร้ายได้เร็วกว่าที่อยู่ไกลเช่นราคะกับเมตตาในที่นี้ตางก็มองคนอื่นในแง่ดีเหมือนกันราคะนับว่าใกล้กับเมตตามากถ้าผู้ปฏิบัติเผลอนิดเดียวราคะก็เกิดแทนที่เมตตาทันทีจึงจัดเป็นค่าสึกใกล้ส่วนพยาบาท ตรงข้ามกับเมตตาและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นค่าศึกแก่เมตตาช้ากว่าพยาบาทจึงจัดเป็นค่าศึกใกล้ค่าศึกของเมตตาราคะเป็นค่าศึกใกล้ของเมตตาพรหมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่ที่เป็นคุณด้วยกันเหมือนศัตรูของบุรุษที่อยู่ใกล้ชิดฉะนั้นราคะนั้น ยอมได้ช่องโอกาสเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องคอยช่วงจริงกันเมตตาจากราคะไว้ให้จงดีพยาบาทเป็นค่าสึกไกลของเมตตาพรหมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตนเหมือนศัตรูของบุรุษซึ่งซุ่มอยู่ในที่รกชัดแห่งภูเขาฉันนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญเมตตาภาวนา โดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่พยาบาทนั้นแต่ที่จกเจริญเมตตากรรมฐานด้วยจะทำความพยาบาทโกรธเคืองด้วยในขณะเดียวกันข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ค่าศึกของกรรุณาโทมนัสความเสียใจอนอศัยกามคุณเป็นค่าศึกใกล้ของกรุณาพรมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่วิบัติของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันโทมนต์อาศัยการมคุณมาในพระบาลีมัชฌิมานิกายอุปริปันธามีอาธิว่าเมื่อบุคคลละห้อยใจถึงสิ่งที่ไม่ได้มาโดยสมหวังคือรูปที่เห็นด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าเจริญใจน่ารื่นรมซึ่งอิงอาศัยตัณหาก็ดี โดยคิดทอดถอนใจถึงสิ่งที่เคยได้มาแล้วในก่อนซึ่งล่วงเลยไปเสียแล้วดับสูญไปเสียแล้วเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วก็ดีโทมนัตย่อมเกิดขึ้นโทมนัตเห็นปานชนีนั้นเรียกว่าโทมนัตอาศัยกามาคุณวิหิงสาเป็นฆาศึกไกลของการุณาพรมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตน ด้วยเหตุชนี้ผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญกรุณากรรมฐานโดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่วิหิงสานั้นแต่ที่จักเจริญกรุณาด้วยจากเบียดเบียนสัตว์ด้วยมือเป็นต้นด้วยในขณะเดียวกันมีใช่ฐานะที่จะพึงทำได้ค่าศึกของมุทิตาโสมนัส ความดีใจอันอาศัยกรรมคุณเป็นค่าสึกใกล้ของมุทิตาพรมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่สมบัติสมบูรณ์ของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันสมนัตอาศัยกรรมมคุณมาในพระบาลีมัชฌิมานิกายอุปริปันธามีอธิว่าเมื่อบุคคลพิจารณารำพึงถึงสิ่งที่ได้มาโดยสมหวังคือรูปที่เห็นด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าเจริญใจน่าเรื่นรมซึ่งอิ่งอาศัยตันหาก็ดีหรือนึกรำพันถึงสิ่งที่เคยได้มาแล้วในก่อนซึ่งล่วงเลยไปซสแล้วดับศูนย์ไปซสแล้วเปลี่ยนแปลงไปซสแล้วก็ดีโสมนัสย่อมเกิดขึ้นโสมนัสเห็นปานชนี้นั้นเรียกว่าโสมนัสอาศัยกามคุณอารติความไม่เยดีด้วย เป็นค่าสึกไกลของมุทิตาพรหมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตนด้วยเหตุดังนี้ผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญมุทิตากรัรมฐานโดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่อรตินั้นก็แหลจากยินดีด้วยจากเบื่อในายในเสนาสนะอันสงัดหรือในกุศลธรรมอันยิ่งด้วยในขณะเดียวกันข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะพึงทาได้ ค่าศึกของอุเบกขาอัญญานุเบกขาความเพิกเฉยเพราะความไม่รู้อาศัยการมมคุณเป็นค่าศึกใกล้ของอุเบกขาปรหมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยไม่พิจารณาถึงโทษละคุณเหมือนกันอัญญานุเบกขาอาศัยการมมคุณมาเนพระบาลีมาชิมานิกายอุปริปันธามีอาทิว่า เพราะเห็นรูปด้วยตาอุเบกขาความเพิกเฉยย่อมเกิดแก่บุทุชนผู้ยังเขลายังหลงยังชนะกิเลสไม่ได้เป็นส่วนส่วนยังไม่ชนะวิบากกรรมยังมองไม่เห็นโทษศึกษายังไม่ถึงขีดยังเป็นอันธบุทุชนอุเบกขาชนิดนี้นั้นยังไม่ล่วงพ้นกิเลสซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ฉะนั้นอุเบกขานี้จึงเรียกว่า อุเบกขาอาศัยกามคุณราคะความกำหนัดปฏิคะความขัดเคืองเป็นค่าสึกไกลของอุเบกขาพรหมวิหารเพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตนด้วยเหตุดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเพ่งเฉยโดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่ราคะและปฏติคะนั้นแต่ที่จักเพ่งเฉยด้วย จากกำหนัดหรือขัดเคืองกันในขณะเดียวกันด้วยข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะพึงทำได้ห้าเบื้องต้นทากลางที่สุดของพรหมวิหารสีก็แลกัตตุกรรมยตาชันทะคือความพอใจใกล้ที่จะทำการปฏิบัติ เป็นเบื้องต้นของพรหมวิหารหมดทั้งสี่อธิบายว่าที่ว่ากัตตุกัมยตาชันทะเป็นเบื้องต้นของพรหมวิหารนั้นเพราะมีบาลีสมอ้างในคำพีอังคุตระนิกายจัตุกกะนิบาทว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นมูลรากฉนันนี้อีกอย่างหนึ่งคำที่ว่ากัตตุกรัรมยตาชันทะเป็นเบื้องต้นของพรหมวิหารนั้น มีฉันทะชนิดนี้เป็นไปด้วยอํานาจความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายปราศจากโทษ ด, ด้วยใกล้ที่จะช่วยสแสวงหาประโยชน์และช่วยปลดเปลื้องทุกข์เป็นต้นถึงแม้ว่าอุเบกขาพรมวิหารจะไม่มีฉันทะในอันที่จะสแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเลยก็ตามแต่ก็ยังเป็นไปโดยอาการที่เพ่งพิจารณาว่า การที่ไม่ขวนขวายช่วยเหลือในสัตว์เหล่านั้นก็หาเป็นการปฏิบัติที่ผิดจากทํานองครองธรรมไม่เหมือนมารดาเพ่งดูเฉยในบุตรผู้ขวนขวายประกอบการงานด้วยลาพังตนเองได้แล้วฉะนั้นการข่มนิวรห้าและกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันให้สงบระงับไปนี้เป็น่ํากลางของพรมวิหารทั้งสี่ อัปนาชาญได้แก่รูปราวจรชาญสี่หรือห้าเป็นที่สุดของพรหมวิหารทั้งสี่คือเมื่อโยคีบุคคลได้บรรลุถึงอัปนาชาญขั้นสุดแล้วก็เป็นอันหมดกิจของพรหมวิหารภาวนาด้วยประการชนนี้ 6. อารมณ์ของพรหมวิหารสี่ สัตย์โดยบัญญัติธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าสัตวะบัญญัติคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นอารมณ์ของพรหมวิหารทั้งสี่ก็แลโยอคีบุคคลได้บรรลุถึงอุปจาระฌานหรืออัปปนาฌานแล้วพึงทําการขยายอารมณ์ของพรหมวิหารให้กว้างขวางออกไปตามลำดับลำดับแห่งการขยายอารมณ์นั้นดังนี้ ฉันเดียวกับชาวนาผู้ฉลาดกะกำหนดเขตที่ตนควรจะไถยเสก่อนแล้วจึงไถานาในภายหลังโยคีผู้ชาณลาภีบุคคล น, นี้ก็เหมือนกันในอันดับแรกก็พึงกำหนดเอาเขตรอา ร, รมณ์กรรมฐานเพียงอาวาสเดียวก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในอาวาสนั้นโดยบทภาวนามีอาธิว่า อิมัสมิงอาวาเสสัตตาอเวราหวนตุขอสัตว์ทั้งหลายในอาวาสนี้จงอย่าผูกเวรกันชะนี้ครั้นโยคีบุคคลได้ทำชาณาจิตนั้นให้อ่อนนิ่มนวลควรแกการงานด้วยว่าสีห้าแล้วจึงกําหนดเขตขยายให้กว้างขวางออกไปเป็นสองอาวาสแล้วจึงขยายออกไปเป็นสามอาวาส สี่ห้าหกจนถึงสิบอาวาสตรอกหนึ่งเครื่องหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งจังหวัดหนึ่งรัฐหนึ่งทิศหนึ่งตามลำดับโดยทํานองนี้โยคีบุคคลพึงขยายอารมณ์ของเมตตาไปจนกระทั่งจั ก, กรวาลอันหนึ่งหรือพึงเจริญเมตตาฌานไปในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ณที่นั้นๆโดยประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแม้กรุณามุทิตา และอุเบกขาภาวนาโยคียบุคคลก็พึงขยายอารมณ์ให้กว้างขวางออกไปด้วยประการฉันเดียวกันนี้ 7. อุเบกขาเป็นผลของพรหมวิหารสามข้างต้นก็แหลเหมือนอย่างว่าอารูปฌาน4ีเป็นผลสำเร็จของกสินฌานทั้งหลาย เพราะกสินชาญทั้งหลายเป็นเหตุให้อรูปชาญสำเร็จโดยบริบูรณ์เนวสญญ า, นาสัญญาณาสัญญายาตนาชาญเป็นผลสำเร็จของสมาธิในอรูปชาญสี่และในอรูปชาญสามขั้นต่ำเพราะโยคีบุคคลได้บรรลุสมาธิเหล่านั้นมาโดยลําดับแล้วจึงจะบรรลุเนวสัญญาณาสัญ ญ, ญายตนาชาญ พละสมาบัติเป็นผลสําเร็จของวิปัสนาเพราะพละสมาบัตินั้นโยคีบุคคลพึงได้มาด้วยอนุภาพของวิปัสนาและที่จะเข้าพลสมาบัติได้ก็ด้วยอํานาจของวิปัสนานิโรธสมาบัติเป็นผลสําเร็จของสมถะและวิปัสนาประกอบกันทั้งสองอาการแห่งผลธรรมเหล่านี้ฉันใด อุเบกขาพรหมวิหารในที่นี้ก็เป็นผลสำเร็จของพรหมวิหารสามข้างต้นฉันนั้นเหมือนอย่างนายช่างเรือนยังไม่ได้ยกเสาขึ้นตั้งหรือแม้ตั้งเสาขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ยกถือขึ้นพาดก็ไม่สามารถที่จะยกเครื่องบนหรือพาดกรอนในอากาศได้ฉันใดอันโยคีบุคคลผู้จะเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนี้ เมื่อเว้นเสียซึ่งตติยาชานในพรหมวิหารสามข้างต้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญจตุทัชาญอันประกอบด้วยอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้ชั้นนั้น 8. ปดเหตุที่เรียกว่าพรหมวิหารณที่นี้หากจะพึงตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ว่าเพราะเหตุไร เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานี้จึงเรียกว่าพรหมวิหารเพราะเหตุไรพรหมวิหารจึงมีเพียงสี่อย่างพรหมวิหารสี่มีกฎเกณฑ์จัดลำดับอย่างไ ร, พ ร, ร, เ, งไรเพราะเหตุไรในคำพีพระอาภิธรรมปิดกจึงเรียกพรหมวิหานิว่าอัปปมัญญาจะวิสัชนาปัญหาสี่ข้อนี้เป็นลำดับดังต่อไปนี้ นักศึกษาพึงทราบว่าการที่ธรรมะสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาได้ชื่อว่าพรหมวิหารนั้นโดยอัตถะว่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐอย่างหนึ่งโดยภาวะเป็นคุณธรรมที่ปราศจากโทษอย่างหนึ่งชะนี้ก่อนขยายความต่อไปว่าธรรมะสี่อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ด้วยเป็นข้อปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายอธิบายว่ากรรมฐานอื่นๆนอกจากพรหมวิหารนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียวส่วนพรหมวิหารกรรมฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อสัตว์อื่นเพราะต้องส่งจิตไปให้สัตว์อื่นโดยในยะเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดชนนี้เหมือนอย่างว่า พวกรมโดยกำเนิดย่อมอยู่อย่างที่มีจิตปราศจากโทษฉันใดอันหนึ่งพระมหาสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งสร้างคุณธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสร้างพุทธการกระท ม, มีทานบารมีเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งพุทธภูมิทั้งปวงให้เต็มบริบูรณ์เรียกว่าพรมและพรมพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นอยู่อย่างมีจิตปราศจากโทษ ด้วยมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งปวงคือเมตตาหนึ่งด้วยช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งปวงคือการุณาหนึ่งด้วยพลอยยินดีต่อสมบัติของสัตว์ทั้งปวงคือมุทิตาหนึ่งและด้วยยึดมั่นอยู่ในภาวะเป็นกลางกลางคืออุเบกขาหนึ่งฉันใดโยคีบุคคลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมสี่นี้ ย่อมเป็นอยู่เหมือนอย่างพรหมโดยกำเนิดและพรหมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นด้วยประการชนนี้แหละธรรมสี่อย่างนี้จึงเรียกว่าพรหมวิหารโดยอัตถาว่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐและโดยภาวะที่เป็นคุณธรรมปราศจากโทษเก้า เหตุที่พรหมวิหารมีเพียงสี่อย่างส่วนปัญหาอีกสามข้อหลังมีว่าเพราะเหตุไรพรหมวิหารจึงมีเพียงสี่อย่างเป็นต้นจะวิสัชนาต่อไปตามลําดับดังนี้การที่พรหมวิหารมีเพียงสี่อย่างนั้นด้วยอํานาจที่เป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้นการจัดลําดับพรหมวิหารสี่อย่าง จัดด้วยอำนาจอาการที่มุ่งทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นและพรมวิหารสี่ที่ได้ชื่อว่าอัปปมัญญาเพราะประพฤติเป็นไปในอารมณ์อันหาประมาณมิได้ขยายความว่าในพรมวิหารสี่นี้เพราะเมตตาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทกรุนาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากนาไปด้วยวิหิงสา มุทิตาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยอารติและอุเบกขาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยราคะนี้ประการหนึ่งเพราะการส่งใจไปในสัตว์ทั้งหลายมีเพียงสี่อย่างคือด้วยมุ่งนำประโยชน์มาให้คือเมตตาหนึ่งด้วยมุ่งช่วยบำบัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือการุณาหนึ่งด้วยพลอยยินดีต่อสมบัติ คือมุทิตาหนึ่งด้วยสิ้นห่วงใหญ่คืออุเบกขาหนึ่งน้ประการหนึ่งเพราะในเมื่อบุตรสี่คนคนหนึ่งยังเป็นเด็กคนหนึ่งกํำลังป่วยคนหนึ่งเป็นหนุ่มอีกคนหนึ่งประกอบการงานได้โดยลาพังตนเองแล้วมารดาย่อมปรารถนาที่จะให้บุตรคนเป็นเด็กเจริญเติบโตขึ้นคือเมตตา ปรารถนาที่จะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยให้แก่บุตรคลที่กำลังป่วยคือกรุณาปรารถนาที่จะให้บุตรคนเป็นหนุ่มดำรงอยู่ในความเป็นหนุ่มนานๆคือมุทิตาและไม่ขวนขวายวุ่นวายด้วยประการไร้ไรทั้งสิ้นในบุตรคลที่ประกอบการงานด้วยลำพังตนเองได้แล้วคืออุเบกขาฉันใดแม้โยคีผู้อัปปมัญญาวิหารี คือผู้เป็นอยู่ด้วยอัปมัญญาสี่ประการก็จะพึงประพฤติเป็นไปในสัตว์ทั้งหลายทุกๆจาพวกด้วยอำนาจเมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาเหมือนอย่างนั้นนี้ประการหนึ่งฉะนั้นอัปมัญญาหรือพรหมวิหารจึงมีเพียงสี่อย่างด้วยอำนาจที่เป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาด้วยพยาบาทเป็นต้นด้วยประการชนนี้ เหตุจัดลําดับพรหมวิหารสี่เหตุที่ให้จัดเรียงลําดับพรหมวิหารนั้นเพราะเมื่อโยคีบุคคลผู้จะเจริญพรหมวิหารให้ครบทั้งสี่ประการจำต้องปฏิบัติในสัตว์ทั้งหลายด้วยประการสี่อย่างตามลําดับคือประการที่หนึ่งด้วยความประพฤติเป็นไปในอาการที่มุ่งช่วยทําประโยชน์เป็นอันดับแรกประกอบด้วยเมตตา นี้ก็มีลักษณะเป็นไปโดยอาการที่มุ่งช่วยทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยประการที่สองถัดนั้นโยคีบุคคลได้เห็นมาเองหรือเพียงได้ฟังข่าวหรือกำหนดขึ้นเองซึ่งความโชคโชนด้วยทุกของสัตว์ทั้งหลายผู้ซึ่งตนมุ่งช่วยทำประโยชน์ให้นั้นแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้นด้วยประพฤติโดยอาการช่วยบรรเทาทุกนั้น ให้ประกอบด้วยการุณานี้ก็มีลักษณะเป็นไปโดยอาการช่วยบรรเทาทุกข์ด้วยถัดนั้นโยคีบุคคลได้เห็นสมบัติของสัตว์เหล่านั้นผู้ซึ่งตนช่วยทำประโยชน์ให้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้อยู่นั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้นด้วยพลอยยินดีต่อสมบัติของเขาประกอบด้วยมุทิตานี้ก็มีลักษณะพลอยยินดีอยู่ด้วย ประการที่สถัดนั้นโยคีบุคคลจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้นด้วยอาการเป็นกลางๆงกล่าวคือว่างเฉยเพราะไม่มีสิ่งจำต้องทำเป็นประการที่สี่อีกแล้วประกอบด้วยอุบเบกขานี้ก็มีลักษณะที่เป็นไปโดยอาการเป็นกลางๆงอยู่ด้วยฉะนั้นเมตตา ท่านจึงแสดงไว้เป็นอันดับแรกของพรหมวิหารนี้ด้วยอำนาจอาการที่มุ่งช่วยทำประโยชน์เป็นต้นถัดนั้นท่านจึงแสดงกรุณาเป็นอันดับที่สองมุทิตาเป็นอันดับที่สและอุเบกขาเป็นอันดับที่สนักศึกษาพึงเข้าใจการจัดลำดับของพรหมวิหารนี้ด้วยประการชนี้แต่อย่างไรก็ดี การจัดลำดับพรมวิหารที่แสดงมานี้ท่านได้แสดงไว้ด้ดยที่เป็นไปโดยมากมิใช่แสดงอย่างตายตัวว่าต้องเป็นไปตามลำดับนี้เสมอไปเพราะการกำหนดลำดับแห่งภาวนาสามขั้นต้นบีเมตตาภาวนาเป็นต้นนั้นหาได้กำหนดอย่างตายตัวไม่โยคีบุคคลจะเจริญภาวนาข้อใดเป็นอันดับแรกก็ได้ทั้งนั้น สิเอ็ดเหตุที่เรียกว่าอัปปมัญญาและเพราะเหตุที่อัปปมัญญาหมดทั้งสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่หาประมาณมิได้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่มีกำหนดประมาณจึงเป็นอารมณ์ของอัปปมัญญาทั้งสี่นี้อัปปมัญญาทั้งสี่ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจที่แผ่ไปอย่างทั่วสิน้นโดยมิได้ถือเอากำหนดประมาณว่า ต้องเจริญเมตตาเป็นต้นไปในประเทศเท่านี้แม้ของสัตว์ผู้เดียวอธิบายว่าในกรรมฐานอื่นๆเช่นอุทุมมาตากะอสุภาเป็นต้นโยคีบุคคลย่อมถือเอานิมิตเฉพาะในประเทศที่ถึงภาวะพองขึ้นของร่างกายเป็นต้นมิได้ถือเอาหมดทั่วทั้งร่างกายส่วนอัปปมัญญานี้ไม่ถือเอากำหนดประมาณเหมือนอย่างนั้น เพราะเหตุดังแสดงมาท่านจึงแสดงความสังเขตไว้ว่าที่พรหมวิหารมีเพียงสี่อย่างนั้นด้วยอำนาจที่เป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้นที่จัดลำดับของพรหมวิหารนี้จัดด้วยอำนาจอาการที่มุ่งทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นและพรหมวิหารสีน่นี้ที่ได้ชื่อว่าอัปปมัญญา เพราะประพฤติเป็นไปในอารมณ์อันหาประมาณมิได้ชั้นนี้สิบสองลักษณะอปปมัญญาเหมือนกันแต่ผลต่างกันก็แลในอปปมัญญาสีน่นี้แม้ถึงจะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันในข้อที่มีอารมณ์หาประมาณมิได้เหมือนกัน ตามที่แสดงมาแล้วแต่อัปมัญญาสามข้อต้นคือเมตตากรุณาและมุทิตาเป็นเหตุให้สำเร็จฌานเพียงสามขั้นโดยจตุ ก, ก น, น์ในและเพียงสี่ขั้นโดยปัญจกนในเท่านั้นถามเพราะเหตุไรจึงให้สำเร็จผลเพียงแค่นั้นตอบเพราะเมตตากรุณาและมุทิตา รากจากโสมนสเวทนาไม่ได้คือต้องประกอบด้วยโสมนสเวทนาเสมอถามการที่เมตตากรุณาและมุทิตารากจากโสมนสเวทนาไม่ได้นี้เป็นด้วยเหตุอะไรหรือตอบเป็นด้วยเหตุที่เมตตากรุณาและมุทิตาเป็นคุณเครื่องสลัดออกซึ่งค่าศึกทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้น อันโทมณนสเวทนาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นไข ค, ความว่าคุณธรรมประเภทใดเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกิเลสชนิดใดคุณธรรมประเภทนั้นจัดเป็นค่าสึกของกิเลสชนิดนั้นโดยตรงทีเดียวเหมือนอย่างเนคคำมาคุณคือการถือบวชเป็นต้นย่อมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งการมาคุณทั้งหลายอารูปฌานสี ย่อมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปประชานทสีนิพพานย่อมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสังขงรารธรรมทั้งหลายฉันใดเมตตากรุณาและมูทิตาอันเป็นคุณเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทวิหิงสาและอารติอันประกอบด้ยวยโทมนัสเวทนาก็ย่อมจะเว้นจากโสมนัสเวทนาไม่ได้ฉะ น, นั้นอันหนึ่ง ด้วยคำว่าเมตตากรุณาและมุทิตาเป็นคุณเครื่องสลัดออกนี้นักศึกษาพึงเข้าใจว่าแม้เมตตากรุณาและมุทิตาอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นก็ต้องประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นภาวะที่ยังสลัดออกไม่ได้ซึ่งธรรมะอันเป็นข้าศึกเป็นความจริงอย่างนั้นอาจารย์ทั้งหลายยอมรับรองต้องกันว่า อปมัญญาเจตสิกสองดวงได้แก่การุณากับมุทิตานั้นย่อมเกิดได้ในจิตตุบาทย8สิบปดดวงคือมหากุศลจิตแปดดวงมหาคิริยาจิตแปดดวงรูปาวจรชาณจิตสิบสองดวงเว้นปัญจมาชาณจิตสามดวงชนันนี้ส่วนอัปมัญญาข้อสุดท้ายคืออุเบกขานั้น เป็นเหตุให้สำเร็จฌานอันสุดท้ายเพียงฌานเดียวคือจตุทถตฌานหรือปัญจมาฌานแล้วแต่กรณีถามเพราะเหตุไรอุเบกขาจึงให้สำเร็จฌานเพียงฌานเดียวเท่านั้นตอบเพราะอุเบกขาต้องประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาเสมอจึงให้สำเร็จฌานขั้นต้นๆซึ่งยังประกอบด้วยโสมนัสเวทนาอยู่ไม่ได้ อุเบกขาพรมวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นไปโดยอาการเป็นกลางๆในสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อเว้นเสียซึ่งอุเบกขาเวทนาแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีเดียวเช่นเดียวกับปาริสุทธดทุเบกขาในอุเบกขาสิประการปาริสุทธดทุเบกขานั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ในจิตบางดวงเพราะเหตุที่เว้นซึ่งอุเบกขาเวทนาในจิตทั้งหมด 121ยอ็ดดวงนั้นหกสิบหกดวงที่อุเบกขาเวทนาเกิดร่วมไม่ได้ที่เหลือห้าสิบห้าดวงอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมเสมอสิบสาเสนอทัศนะขัดแยง้งก็แลอหากจะเพิ่งมีนักศึกษาคนใด เสนอทัศนคขัดแย้งชนิดว่าเพราะในคำภีอัตกานิบาตอังคุตระนิกายพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอ ป, ประมัญญาทั้งสี่โดยไม่ต่างกันไว้ดังนี้ในการนั้นแหลภิกษุเธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มีวิตกมีแต่วิจารให้เกิดขึ้น เธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจาร์ให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีปีติให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มีปีติให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ประกอบกับสุขเวทนาให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ประกอบกับอุเบกขาเวทนาให้เกิดขึ้น เพราะเหตุที่อปามัญญาทั้งสี่เป็นสภาพที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกับที่ประกอบด้วยวิตกเป็นต้นมีปรากฏในพระพุทธวจนะนี้อยู่ชัดชัดฉะนั้นอปามัญญาทั้งสี่จึงเป็นเหตุให้สำเร็จฌานสี่โดยจตุกะกไ น, นหรือฌานห้าโดยปัญจากะาในได้ด้วยเหมือนกันทั้งสี่ประการ14 แถลงแก้ทัศนคขัดแยงด้งบัณฑิตพึงชี้แจงแก่นักศึกษาคนนั้นดังนี้เธออย่าได้เข้าใจเช่นนั้นเลยเพราะถ้าจะยกเอาข้อความที่ทรงแสดงไว้ในมูลสมาธิมารวมเข้าในโรมวิหารทั้งสี่ประการโดยถือว่าทรงแสดงไว้โดยลำดับกันแล้วแม้กายานุปัสนาเป็นต้นก็พึงเป็นเหตุให้สาเร็จฌานสี่หรือฌานห้าได้ด้วย แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะกายานุปัสนาเป็นต้นนั้นท่านแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งวิปัสนากรรมฐานตั้งหากที่จริงนั้นแม้เพียงปฐมฌานก็มีไม่ได้ในเวทนานุปัสนาเป็นต้นตั้งแต่ทุติยฌ า, านขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงยิ่งจะมีไม่ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นนักศึกษาอยาได้ถือเอาเพียงแต่เงาของพยาชนะ แล้วมากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยอันพระพุทธวจนะนั้นลึกซึ้งยิ่งหนักนักศึกษาควรเข้าไปหาอาจารย์แล้วศึกษาเอาอัฏาธิบายของพระพุทธวจนะให้ได้อย่างละเอียดหมดจดทีเดียวสิบห้าอัฏฐานทบายพระพุทธวจนะ ก็แลในพระพุทธวัจนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโปรดภิกษุรูปนั้นมีอัธถาทิบายดังต่อไปนี้มีเรื่องอยู่ว่าภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคให้ทรงแสดงธรรมโปรดอย่างนี้ว่าข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคบทใดแล้ว จะพึงเป็นผู้ปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่เพียงลำพังผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตมุ่งตรงไปยังพระนิพพานขอได้ทรงพระกรุณาโปรดแสดงพระธรรมเทศนาบทนั้นแต่โดยย่อโปรดข่าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดฉันนี้โดยเหตุที่แม้เมื่อครั้งก่อนภิกษุรูปนี้นั้นฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มัวง่วนอยู่แต่ในวัดนั่นเองละ่ะ ไม่ปรารถนาที่จะหลีกออกไปบปําเพ็ญสมณธรรมฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสลูกกรานเธอว่าน่าขอด่าจริงๆเถียวที่มีโมฆะบูรุษบางจําพวกอยู่ในศาสนานี้เพียงแต่อารัธนาให้เราแสดงธรรมเท่านั้นแต่เมื่อเราแสดงธรรมโปรดแล้วก็ยังสําคัญอยู่ในอันที่จะติดสอยห้อยตามเราอยู่นั่นเองและโดยที่เหตุภิกษุรูปนี้นั้น เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอระหันต์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงโอวาทเธอซ้ำอีกจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดซึ่งมีความว่าเพราะเหตุนี้แหละภิกษุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่รลบออกไปรับอารมณ์ภายนอกจะดำรงอยู่ด้วยดีในอารมณ์กรรมาฐานภายในอันหนึ่ง อากูสละธรรมอัลามกมีกามชฉันทะเป็นต้นที่ข่มไว้ไม่อยู่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่เธอพึงสำเนีกอย่างนี้แหละภิกษุด้วยพระพุทธโอวาทนี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมูลสมาธิคือจิตแรกมีอารมณ์เดียวด้วยอำนาจอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นในตนโปรดภิกษุรูปนั้น ลำดับนั้นเมื่อจะทรงกระตุ้นเตือนภิกษุรูปนั้นว่าเธออย่าพึงได้พอใจด้วยผลการปฏิบัติเพียงเท่านั้นจงเพียรทำมูลสมาธินั้นให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเชนนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงภาวนาวิธีด้วยสามารถแห่งเมตตากรรมฐานโปรดภิกษุนั้นความว่าในการใดแลาภิกษุ เธอห้ามจิตไม่ให้รับออกไปรับอารมณ์ภายนอกทาให้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานภายในอันหนึ่งอากุศลธรรมอลามกมีการมฐันทะเป็นต้นที่ข่มไว้ไม่อยู่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ครอบงำจิตของเธอตั้งอยู่ได้ในการนั้นแลภิกษุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะทาเมตตาเจโตวิมุตติให้เกิดขึ้น จะทําให้มากมากจะทำให้ดุดยานที่เตรียมพร้อมแล้วจะทําให้เป็นดุดฐานที่แน่นหนาแล้วจะทําให้มั่นคงแล้วจงสั่งสมด้วยวสีห้ด้วยดีจะปรารบด้วยดีแล้วเธอพึงสําเนียกอย่างนี้แลภิกษุครั้นแล้วได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดต่ออีกความว่าในการใดแลภิกษุสมาธินี้อันเธอทําให้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้มากๆแล้วอย่างนี้ในการนั่นแหละภิกษุเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันมีทั้งวิตกมีทั้งวิจาร์ให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันไม่มีวิตกมีแต่วิจาร์ให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจาร์ให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้ อันมีปีติให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันไม่มีปีติให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันประกอบกับสุขเวทนาให้เกิดขึ้นเธอพึงเจริญมูลสมาธิส t h i อันประกอบกับอุเบกขาเวทนาให้เกิดขึ้น นักศึกษาพึงทราบอธาธิบายของพระพุทธวจนะที่แสดงมาแล้วนี้ดังนี้ภิกษุในการใดมูลสมาธินี้อันเธอได้ทําให้เกิดขึ้นแล้วด้วยสามารถแห่งเมตตาภาวนายอย่างนี้ในการนั้นเธออย่าได้ถึงความพอใจด้วยผลแห่งการปฏิบัติเพียงเท่านั้นเธอพึงเจริญมูลสมาธินี้โดยในยะว่าอันมีทั้งวิตก มีทั้งวิจารเป็นต้นให้เกิดขึ้นทําให้บรรลุถึงซึ่งฌานสีและฌานแม้ในอารมณ์กรรมฐานอื่นๆมีปัทวีกสินเป็นต้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีเมตตาเป็นประธานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีพรหมวิหารที่เหลือมีกรุณาเป็นต้นเป็นประธานแก่ภิกษุรูปนั้นว่า เธอจงทําการภาวนาด้วยสามารถแห่งฌานสี่และฌานห้าในอารมณ์อื่นๆต่อไปจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนามีอาธิว่าในการไดแลาภิกสุสมาธินี้อันเธอทําให้เกิดขึ้นแล้วทําให้มากๆแล้วอย่างนี้ในการนั้นลาภิกสุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะทํากรุณาเจโตวิมุตต์ให้เกิดขึ้น ครั้นพระผู้มีประภาคทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นประธานด้วยความสามารถแห่งฌานสีและฌานห้าชนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีกายานุปัสสนาเป็นต้นเป็นประธานโปรดภิกษุรูปนั้นต่อไปจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนามีอาทิว่าในการใดลาภิกษุสมาธินี้อันเธอทําให้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้มากมากแล้วอย่างนี้ในการนั้นแหละภิกษุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักพิจารณาให้เห็นกายที่กายอยู่ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงอย่างพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยยอดธรรมคือพระอรหันต์ความว่าในการดายแลภิกษุสมาธินี้อันเธอได้ทําให้เกิดขึ้นแล้วได้ทาให้เกิดขึ้นดีแล้วอย่างนี้ ในการนั้นแหละพิษุเธอจกเดินไปโดยทางไหนไหนก็ตามเธอจกเดินไปอย่างภาสุกจริงๆเธอจกยืนอยู่หน้าที่ไหนไหนก็ตามเธอจกยืนอยู่อย่างภาสุกจริงๆเธอจกนั่งอยู่หน้าที่ไหนไหนก็ตามเธอจกนั่งอยู่อย่างภาสุกจริงๆเธอจกนอนณที่ไหนไหนก็ตามเธอจกนอนอย่างภาสุกจริงจริง ด้วยเหตุดังที่ได้ถแถลงมานี้จึงเป็นอัญยุติได้ว่าอัปปมัญญาสามประการข้างต้นมีเมตตาเป็นอาทินั้นเป็นเหตุให้สําเร็จฌานสามโดยจตุ ก, กนใยและฌานสีโดยปัญจ ก, กนยเพียงแค่นั้นส่วนอุเบกขาประการสุดท้ายเป็นเหตุให้สําเร็จฌานที่เหลือสุดท้ายเพียงฌานเดียวคือจตุทถตฌานหรือปัญจมะฌานแล้วแต่กรณีฉะนี้แหล แม้ในคำพีพระอภิธรรมปีดกเช่นจิตตุปาทกันในธรรมสังคณีปรกรณ์และอัปปมัญญาวิพังในวิพังปรกรณ์พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงจำแนกอัปปมัญญาสีประการไว้เหมือนอย่างเดียวกันนี้นั่นเทียว 16. อนุภาพิเศษที่ต่างกันของอัปปมัญญา ปรมมัญญาสี่ประการนี้แม้จะได้ดำรงสภาพอยู่เป็นสองส่วนด้วยอำนาจให้สำเร็จฌานสาหรือฌานสี่อย่างหนึ่งด้วยอำนาจที่ให้สำเร็จฌานสุดท้ายฌานเดียวอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะดังสแสดงมาแล้วนั้นก็ตามแต่ก็ยังมีอนุภาพพิเศษซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละประการด้วยอำนาจที่มีสุภาพวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้น อันนักศึกษาจะพึงศึกษาให้เข้าใจต่อไปดังนี้ได้ฮาลิทธวัสนสูตรพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอ ป, ปมัญญาสี่ประการนี้ไว้โดยมีความต่างกันด้วยภาวะที่มีสุภาวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้นดังมีพระบาลีในคำพีสังยุตตนิกายมหาวารวักซึ่งมีใจความว่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเมตตาเจโตวิมุตต์มีสุภวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากรุณาเจโตวิมุตตมีอากาสานัญจายตนะเป็นผลขั้นสุดยอดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ามุทิตาเจโตวิมุตต์มีวิญญาณนัญจายตนะฌานเป็นผลสุดยอด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอุเบกขาเจโตวิมุตติมีอันกินจัญญายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอดถามเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอัปปมัญญาสีประการนี้โดยมีความต่างกันแต่ละประการดังนั้นตอบเพราะอัปปมัญญาสีประการนี้ ต่างก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกนั้นๆอันมีสุภาพวิโมกเป็นต้นดังจะอธิบายต่อไปส7บเจ็ดมตตามีสุภาพวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอดมีความจริงอยู่ว่าสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายย่อมไม่เป็นสิ่งที่จะพึงรังเกียจ สำหรับเมตาวิหารีบุคคลคือคนมีจิตประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นเมื่อโยคีบุคคลผู้เมตาวิหารีนั้นน้อมจิตไปในอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเช่นสีเขียวเป็นต้นอันเป็นสีที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่เมตาวิหารีบุคคลไม่พึงรังเกียจเพราะได้อบรมมาโดยอาการที่ไม่น่ารังเกียจ ด, ด้วยอำนาจเมตตาภาวนา จิตของเธอย่อมจะแล่นไปในอารมณ์ของกรรมฐานมีสีเขียวเป็นต้นนั้นโดยง่ายทีเดียวเพราะฉะนั้นเมตตาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สุภาพวิโมกโดยประตูปัณิสัยนอกเหนือไปจากสุภาพวิโมกแล้วเมตตาย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกอะไรอื่นหาได้ไม่ด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่า เมตตาเจโตวิมุตต์มีสุภาวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอด 18. ปกรุณามีอากาสานัญจายตนะาฌานเป็นผลขั้นสุดยอดก็แลเมื่อโยคีผู้กรุณาวิหารีบุคคลคือผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณา พิจารณาเห็นทุกของสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีลักษณะรูปร่างที่มีไม้ค้อนอันเป็นเครื่องประหารกันเป็นต้นเป็นนิมิตเธอย่อมเห็นแจ้งชัดซึ่งโทษในรูปเพราะรูปเป็นที่บังเกิดเป็นไปของการุณาเมื่อเป็นเช่นนี้โยคีผู้การุณาวิหารีบุคคลนั้นจึงเพกิกถอนกสิน9ก้าอย่างเว้นอากาศกสินมีปฐวีกสินเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่ได้เห็นแจ้งชัดซึ่งโทษในรูปนั้นแล้วน้อมภาวนาจิตไปในอากาศตรงที่เพิกถอนรูปออกแล้วนั้นจิตของเธอก็ย่อมจะแล่นไปตรงที่อากาศนั้นโดยง่ายได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นกรุณาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อากาศสารัญจายตนะฌ า, านโดยประกาศตูปนิสัยนอกเหนือไปจากนั้นแล้วกรุณา ยอมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกอะไรอื่นหาได้ไหมด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่ากรุณาเจโตวิมุตติมีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอดสิบเก้ามุทิตามีวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอด ก็แลเมื่อมุทิตาวิหารีบุคคลคือผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาพิจารณาเห็นวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้ได้ความปราโมท ด, ด้วยเหตุอันใดด้วยเหตุอันให้เกิดความปราโมทนั้นๆมีภกคสมบัติเป็นต้นจิตที่ถูกอบรมมาด้วยการยึดถือวิญญาณย่อมเกิดเพราะวิญญาณเป็นที่บังเกิดเป็นไปของมุทิตาเมื่อเป็นเช่นนี้ โยคีผู้มุทิตาวิหารีบุคคลนั้นยอมกาวลวงอากาศสารนัญจายตนะาฌานที่ตนได้บรรลุมาแล้วโดยลําดับแล้วน้อมภาวนาจิตไปในอรูปปวิญญาณที่หนึ่งอันมีอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้นวิญญาณนัญจายตนะจิตของเธอยอมจะแล่นไปในอรูปปวิญญาณที่หนึ่งนั้นโดยง่ายดายทีเดียวเพราะฉะนั้นมุทิตา จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะฌานโดยประกตูปนิสัยนอกเหนือไปจากนั้นมุทิตายอมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกอะไรอื่นหาได้ไหมด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงว่ามุทิตาเจโตวิมุตติมีวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 20. อุเบกขามีอากินจัญญายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอดก็แลโยคีผู้อุเบกขาวิหารีบุคคลคือผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขานั้นย่อมมีจิตเหนื่อยหน่ายต่อการยึดถืออารมณ์อันไม่มีอยู่โดยปรมัติโดยเบือนหน้าหนีจากการยึดถือโดยปรมัติเช่นสุขทุกข์เป็นต้น เราไม่มีความห่วงใยว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขเถิดหรือขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เสถิดหรือขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้พลากจากสุขที่ตนได้แล้วเลยชันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลผู้อุเบกขาวิหารีนั้นซึ่งเป็นผู้มีจิตได้อบรมมาโดยความเบือนหน้าหนีจากการยึดถือด้วยปรมัต a t และเป็นผู้มีจิตเหนื่อยหน่ายต่อการยึดถืออารมณ์ อันไม่มีอยู่โดยปรมัตย์ยอมก้าวล่วงวิญญาณัญจรยตนาชาญที่ตนได้บรรลุมาแล้วโดยลําดับแล้วน้อมภาวนาจิตไปในภาวะอันไม่มีอยู่ของวิญญาณอันเป็นปรมัตย์ซึ่งไม่มีอยู่โดยสภาวะอากินจัญญายตนาจิตของเธอย่อมจะแล่นไปในภาวะที่ไม่มีอยู่ของวิญญาณ น, นั้นโดยง่ายดายทีเดียวเพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะฌานโดยประกาศตุปนิสัยนอกเหนือไปจากนั้นอุเบกขาย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกอะไรอื่นหาได้ไหมด้วยประการฉนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าอุเบกขาเจโตวิมุตตมีอากินจัญญายตนะฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 21. อัปปมัญญาทำให้การยานธรรมทั้งปวงบริบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้เข้าใจอนุภาพพิเศษที่ต่างกันของอัปมัญญานี้โดยมีสุภาพวิโมกเป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้นดังแสดงมาชนี้แล้วพึงศึกษาให้เข้าใจต่อไปอีกว่าอัปมัญญาสี่ประการนี้เป็นคุณในสมุทยัย ทำให้การยานธรรมทั้งปวงมีทานบารมีเป็นต้นให้เต็มบริบูรณ์เป็นประการสุดท้ายดังต่อไปนี้เป็นธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีจิตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในสรรพสัตว์ทุกจำพวกโดยเป็นผู้มีอัธยาศัยมุ่งทาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจเมตตาหนึ่ง โดยเป็นผู้นิ่งดูดายไม่ได้ต่อทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจการุณาหนึ่งโดยเป็นผู้มีความประสงค์ที่จะให้สมบัติอันวิเศษที่สัตว์ทั้งหลายได้มาแล้วให้ดำรงคงสภาพอยู่นานๆด้วยอำนาจมุติตาหนึ่งโดยเป็นผู้ไม่ตกไปในความเป็นฝักฝ่ายในสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจอุเบกขาหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีคุณลักษณะเห็นปานชนิ้ยอมเพียรสร้างบารมีธ ร, รมสิบประการให้บริบูรณ์ในคันทันดานอย่างนี้คือบำเพ็ญทานอันเป็นเหตุแห่งความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันโดยไม่แบ่งพักแบ่งพวกว่าคนนี้ควรให้คนนั้นไม่ควรให้ประการที่หนึ่งนี้คือทานสมทานศีล เว้นการประหัดประหานสัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนโดยไม่มีการยกเว้นประการที่สองนี้คือศีลบำเพ็ญเนคขมมะได้แก่การถือบวชเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งความสุขของสัตว์ทั้งหลายและเพื่อทำศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการที่สามนี้คือเนคขมมะอบรมบ่มปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งเพื่อทาลายโมหะ ไม่ให้หลงงมงายในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายประการที่สี่นี้คือปัญญาบำเพ็ญเพียรชนิดที่ติดต่อกันไปไม่ให้ชะงักงันเพื่อความเจริญแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายประการที่ห้านี้คือวิริยะแม้เมื่อได้บรรลุ ถึงความเป็นวีรภาพด้วยอำนาจความเพียรขั้นสุดยอดแล้วย่อมอดกลั้นได้ต่อความผิดมีประการต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่ตกมาถึงตนประการที่หกนี้คือขันติรักษาปติญญาที่ตนได้ทำไว้ว่าจะทำสิ่งนี้จะให้สิ่งนั้นแก่ท่านไม่ให้เคลื่อนคลาดประการที่เจดนี้คือสัจจะ เป็นผู้มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวในพุทธการกธรรมที่ตนสมท า, านแล้วเพื่อประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายประการที่แปดนี้คืออธิฐานะเป็นผู้เริ่มต้นทำอุปการะแกสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาปรารถนาดีอย่างแน่วแน่ประการที่เก้านี้คือเมตตาและไม่หวังผลตอบแทนอย่างใดๆทั้งสิ้น จากสัตว์ทั้งหลายด้วยอุเบกขานี้คือประการที่สิบอุเบกขาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้อัปปมัญญาวิหารียอมเพียรสร้างบา ร, รมีธรรมทั้งหลายดังบรรยายมานี้ตลอดถึงสัพพะกัลยาธรรมแม้ทุกอย่างต่างด้วยทศพลยานสิบเวสาราชยานสีอาสาธารณยานหกและพุทธธรรมสิบแปด ให้เต็มบริบูรณ์ในคันทสันดานด้วยประการชนิ้อัปมัญญาสี่ประการนี้ยอมเป็นคุณในสมุ ท, ทัยทำสพัพพกรยานธรรมทุกๆอย่างมีทานบารมีเป็นต้นให้เต็มบริบูรณ์ด้วยประการดังที่ได้พันณนามาชนิดแลปาริเฉตที่เก้าชื่อว่าพรหมวิหานิเทศ ในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในปะกณ์วิเศษวิสุทธิมักอันข้าพระเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อให้เกิดความปีติปราโมทแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้คำพีวิสุทธิมักจบปริเฉ ท, ที่เก้าพระพุทธโคสเถระรจนา